เรื่องอนัตถบุญจักพรามพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราถรบุญจักพรามพรามนั้นคิดว่าพระศัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวหรือทรงทราบสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ด้วยพระศาสดาทรงตรัสว่าเรารู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้งสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์พระศัสดาทรงตรัสพระคาถานิว่าการนอนจนตะวันขึ้นคือนอนตื่นสายหนึ่งความเกียจค ร, ร้านหนึ่งความดุร้ายหนึ่งการผลัดวันประกันรพรุ่งหนึ่งการเดินทางคนเดียวหนึ่งการเข้าไปเสพพัญญาของผู้อื่นหนึ่งผู้ใดเสพกรรมหกอย่างนี้สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์คือความชิบหายจะพึ่งมีแก่ผู้นั้น พระศาสดาทรงตรัสถามพรามถึงอาชีพทรงทราบว่าเล่นการพนันสกาทรงถามต่อไปอีกว่าชนะหรือแพ้พรามทูลตอบว่าชนะบ้างแพ้บ้างดังนี้พระศาสดาทรงตรัสว่าขึ้นชื่อว่าความชนะของบุคคลผู้ชนะผู้อื่นไม่ประเสริฐส่วนผู้ใดชนะตนได้ด้วยชนะกิเลสความชนะของผู้นั้นประเสริฐ เพราะว่าไกลๆก็ไม่อาจทำความชนะนั้นให้กลับพ่ายแพ้ได้ทรงตรัสพระคาถาว่าตนนั่นแลบุคคลชนะแล้วประเสริฐส่วนมูสัตว์นอกนี้บุคคลชนะแล้วไม่ประเสริฐเลยเพราะเมื่อบุรุษฝึกตนแล้วประพฤติสำรวมเป็นนิดเทวดาคนทันมารพรม พึงทําความชนะนั้นให้กลับพ่ายแพ้ไม่ได้เลยในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละ